ข้อคนรู้เรื่องปัญญาในพระพุทธศาสนาท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าปัญญาอยู่ในลำดับสูงสุดเสมอเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือขั้นสุดท้ายที่จะให้ประจักษ์แจ้งความจริงหรือได้รับผลสมบูรณ์ใดเพื่อที่จะให้เห็นว่าปัญญาเมื่อมาร่วมกับธรรมะอื่นที่ท่านถือว่าสำคัญกว่าข้ออื่นเสมอนั้นมีอย่างไร นอกจากขอให้ย้อนอ่านตอนที่เทียบให้เห็นศรัทธาที่มีปัญญารังทายกำกับอยู่ด้วยแล้วขอเสนอธรรมะหมวดอื่นๆ อ, อ, อีกดังนี้ 1. อนุบุพพปฏิปทาลำดับการปฏิบัติสมขั้นขั้นที่หนึ่งศีล ร, รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยขั้นที่สองสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่น ขันที่สามปัญญาทำความรอบรู้ให้เกิดขึ้นสองภาวนาการอบรมสองขั้นขั้นที่หนึ่งสมถภาวนาอบรมสมาธิขั้นที่สองวิปัสนาภาวนาอบรมปัญญา 3. ประมวลหลักฐานที่สะดุดีปัญญาในที่นี้แต่ละข้อมีที่มาจากพระไตรปิฎกต่างเล่มกันนะครับ 1. คนในโลกนี้ผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในทุกทั้งหลาย2ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 3. ปัญญาเป็นดวงแก้วของนอรชน 4. ส, สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรุ่งเรืองยิ่งด้วยปัญญาหาคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐสุดดุดดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลายศีรษาธรรมของคนดียอมเป็นของติดตามผู้มีปัญญา คือมีปัญญาแล้วความดีอื่นๆก็ตามมา 6. ปราดทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐสุด 7. ปัญญายอมปกครองคน 8. ปด นิเพทะคามมนีปัญญาที่เป็นเหตุให้ทำลายกิเลสได้ประเสริฐสุดในโลก 9. ปัญญาย่อมเกิดจากการประกอบความเพียรคือไม่ใช่เกิดเองโดยบังเอิญในที่นี้คำว่าปัญญาใช้ทราบว่าผูริหมายถึงปัญญาที่กว้างขวางรอบคอบไม่ใช่เพียงเ่าหรือไหวพริบ เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงไม่ใช่ตนเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จากอาคตาสถานคือที่มาหรือข้ออ้างยิงที่ยกมาพอเป็นสังเขปนี้ย่อมแสดงว่าทางพระพุทธศาสนา ถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญมากเพราะช่วยเป็นแสงสว่างสองทางแห่งชีวิตช่วยคุ้มครองหรือปกครองคนและข้อสำคัญคือช่วยให้พ้นทุกข์หรือให้หาความสุขได้ในท่ามกลางแห่งความทุกข์โดยเฉพาะในที่มาข้อสุดท้ายข้อที่10แสดงว่าถ้ายังไม่รู้ความจริงด้วยปัญญาถึงสภาพสามอย่างแล้วคนเราก็มักสาคัญทุกว่าเป็นสุข แต่เมื่อเกิดปัญญาก็จะไม่หลงเข้าใจผิดต่อไปการเผชิญปัญหาชีวิตโดยปราศจากปัญญานั้นเปรียบเหมือนการเดินคลาไปในที่มืดอาจตกหลุมตกบ่อหรือตกสะพานก็ได้อาจสำคัญเชื่อว่าเป็นงูหรือเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มก็ตกใจกลัวเข้าใจเป็นโจรผู้ร้ายหรือผีหลอกเต็ดถ้ามีไฟฟ้าเดินทางใายไป ซึ่งเทียบด้วยมีปัญญาบางทีก็จะกลายเป็นนึกขันตัวเองที่หลงกลัวโน่นกลัวนี่โดยเข้าใจผิด